วันนี้หลวงพ่อออกมาช้าไปเลยช้าไปสิบนาทีแต่ต้องหักห้านาทีไม่อช่วงเช้าสอนเกินไปห้านาทีออกมาช้าห้านาทนะีตอนที่พระฉันข้าวเสร็จหนะลูงพ่ อ, อยังไม่ได้ฉันเลยหมอให้ตรวจไม่เลิกหมอก็อให้ของกินเล่นไว้เยอะเลยนะ อาทิตย์หน้าวันอาทิตย์มีทอดกรินนะทอดกระดิ่วัดหลวงพ่อก็ไม่มีอะไรใครอยากทอดทุกข์ทอดคนสมัครเป็นเจ้าภาพวัดหลวงพ่อสบายนะเราไม่มีกําหนดว่าจะเอาตังค์เท่าไหร่ไม่มีตังค์ไม่เป็นไรขอมีผ้ามาผืนหนึห่งแคนั้นจบ ตามมีไหนก็แค่เอาผ้ามาเท่านั้นนะต้นเดือนพฤศธิกาเปิดจองอยู่วัดคราวนี้ครึ่งปีเขาก่อนให้โบสถ์ละว่าจองทีละปีหรือว่าครึ่งปีเสียส่วนใหญ่ต้องการจองครึ่งปีให้จองครึ่งปีเดี๋ยวปีหน้ามาโบสถ์ใหม่ขอจองปีหนึ่ง กลับไปกลับมาไม่แน่ตามใจทุกคนก็ไม่ไหวนะ น, า, นาจิตตังคนนั้นอยากได้อย่างนี้คนนี้อยากได้อย่างนั้นหยวพระว่าจะถามความเห็นพวกเราอย่างหลวงพ่อไปเทศมสท อ, อะไรอย่างนะ้คนเกิบพัน ถามทีมงานว่ามีคนสมัครส่งกันบ้านกี่คนประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ต่ํามากเลยอยากให้มีส่งกันบ้านไหมเดี๋ยวม่ต้องไปถามที่นนนะ์ <c oughs> ว่าแต่ที่เนี่อยากให้มีการส่งกันบ้านไหมหรืออยากฟังเทศใครอยากส่งกันบ้านยกมือใครเห็นว่าควรจะมีการส่งกันบ้านต่อไปยกซิ กำลังชี้อนาะคตตัวเองนะเลือกให้ดีนะยกใหม่ใครเห็นว่าไม่ควรต้องส่งกันบ้านแพ้วันส่งต่ออ่ะว่ามาน้ำมัสการค่ะหลวงพ่อคือหนูมีหนูได้ปฏิบัติมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะแล้วคือการ ทุกครั้งที่ตื่นนอนอ่ะก็จะคอยดูกายดูจิตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจิตเราอ่ะตั้งแต่ตื่นรู้สึกตัวขึ้นจากพวงังอ่ะมันก็กระโดดไปกระโดดมาตลอดเวลาแล้วหนูก็รู้สึกเหนื่อยอะค่ะส่วนร่างกายเนี่ยพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้สึกว่าหิวแล้วต้องเอาร่างกายไปอาบน้ํากินข้าวไปทํางานอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าร่างกายอเป็นภาระกลายเป็นว่าทุกวันเนี้ยตื่นนอนขึ้นมาก็จะตื่นมาด้วยความความเบื่อความทุกข์อะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลย อยากสารลบกวนเรียนถามอยากให้ความเบื่อครอบงําจิตได้นะดูเข้าไปตรงๆที่ความเบื่อหลวพ่อแต่ก่อนหัดใหม่ๆก็เบื่อมันนะร่างกายตื่นเช้ามามีภาระเยอะยะเลยแต่หลังก็มองใหม่ภาระในร่างกายมีอะไรมั่งตื่นเช้ามาไปเข้าส้วไมไปอึใครเป็นคนอึร่างกายหรือจิตร่างกาย ใครเป็นคนเบื่อจิตเบื่อร่างกายกินข้าวใครเป็นคนตักข้าวกินร่างกายใครเป็นคนเคี้ยวก็ร่างกายใครเป็นคนย่อยอาหารก็ร่างกายใครเบือ่อจิตเบือ่อเราต้องซักผ้ากวาดบ้านถู บ, บ้านใครเป็นคนทาร่างกายทำจิตเบือ่อ จิตนี่นะมันไม่ได้ทําอะไรเลยแต่มันชอบเบื่อเนีย่ยโอบลมมันไปอย่างเงี้ยหลวงพ่อเคยกลับข้างสมมติเราเถียงแทนร่างกายบอกร่างกายนนะเนี่ยนะเหน็ดเหนื่อยมากเลยต้องทํางานหาเงินได้เงินมาต้องไปซื้อข้าวกินต้องไปกินข้าวกินเสร็จแล้วต้องไปขับถ่าย ต้องอย่างโน้ต้องอย่างนี้เออยอะแยะเลยน่ากายเนี้ ย, ย, ย, ย น, น่าสงสารไปมองมั้งแทนที่จะมองว่าเป็นภาระนะมองว่ามันน่าสงสารแล้วมันจะไม่เบื่อเบื่อเป็นโทสะนึกออกอย่างจิตไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นตัวเบื่อตัวเรื่องมากกายไม่เคยโตเถียง เยางเราไปเดินช้อปปิ้งเนี่ยพาร่างกายไปเดินเต่าไหลชั่วโมงร่างกายเนเมื่อยแล้วเมื่อยอีกสนองอะไรสนองตันหาหกจิตเงนตัวจิตนตัวหัวโจรตัวมารร้ายเลยเรียนรู้ลงไปเลยๆจะรู้สึกเลยจิตไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของน่ารักเป็นตัวน่าเกลียดเห็นตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัว ไปดูบ่อยๆสอบไปนึกออกบ้างยังว่าจิตมันเอนแค่ตัวยังไงมันใช้ร่างกายทำงานทั้งวันเลยแล้วมันก็คอยตีฉีดนินทา่าไหม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้นะว่าเขาตลอดเลยลก็ใช้เขาตลอดเลยส่งกลับบ้านครั้งแรกครับก็ใช้วิธีบริกรรมกับทั้งตอนนั่งสมาธิแล้วก็ตอนเดิน อยู่วัดก็สมาธิมากขึ้นครับทำในรูปแบบจะมากขึ้นแล้วก็เห็นแยกน่าจะมีแยกบ้างครับแล้วก็มีเห็นความกลัวไม่แน่ใจว่าความกลัวมันคือความคิดไหมครับความกลัวเป็นความรู้สึกรู้สึกกลัวนะเป็นกิเลสตัวหนึ่งตัวโทสะอยู่ในกลุ่มโทสะความกลัวเวลาเกิดความกลัวนะั้จิตใจไม่ช่ำชื่น ถ้าเม่ไรจิตใจไม่แช่มชื่นเราต้องรู้เลยนะว่าจิตดวงนั้นที่ไม่แช่มชื่นะเป็นโทสะมูลจิตเป็นจิตที่มีโทสะเป็นมูลเป็นพื้นฐานนะดูมันเข้าไปกลัวอะไรก็ดูเข้าไปกนะ็กลัวผีผีอยู่ที่ไหนไปเดินดูนะจุเวนนะพวกผู้หญิงกลัวคนอย่าไปเที่ยวเดินดูนะหลายผีไม่ทำอะไรเัง คตนะรนไาร้ายร้ายกว่าเดรฉ า, านอย่างงูนะถ้าเราไม่ี่เหยียบมันมันก็ไม่ว่าอะไรเราต่างคนต่างอยู่คนน่ารายจริงๆไม่ได้ทำอะไรมันมันเอาเรื่องเราก็ได้นะอย่างผู้หญิงบางคนหน้าตาดีหน่อยโดนชุดโดนอล้แต่เดี๋ยวนี้หมดยุคแล้วเดี๋ยวนี้ผู้ชายหน้าตาดีโดนหลอกผู้ยี่ผู้ยำนะ อ้าวทามน้มันรการครับคืนที่ผ่านมาก็ดูว่ากายกระจายแยกแคเทียนมากขึ้นนะครับเอ อ, อนั่นแหละแต่อย่าจงใจแยกนะเพราะอ่างขนาดเนี้ยจิตมันตั้งขึ้นมาจงใจตั้งขึ้นมาดมูออกไหมครับถ้าตั้งอย่างนี้เราแยกเนี่ยนะใจใจแข็งแข็งใจจะแข็งจจแข็งรู้สึกเปล่ารู้สึกครับเออนั้น แ, แสดงว่าจงใจทำจงใจแยก ถ้ารู้ไปตามธรรมชาติใจปรุงโล่งเบาไม่แน่นไม่แข็งนะค่อยๆสังเกตไปเราจะทำผิดน้อยลงน้อยลงหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าเราทำถูกมากขึ้นนะแต่เราจะภาวนาแล้วเราจะผิดน้อยลงน้อยลงสุดท้ายไม่ผิดฝนะึกไปนรมาส ก, การ์คารองพ่อค้าวก่อนหลวงพ่อบอกให้หนูไปดูความไม่เที่ยง เห็นบ้างไหมเห็นค่ะแต่หนูอ่ะก็ก็เห็นมันเกิดดับไปเรื่อยแต่หนูจริงจริงหนูอ๋อกระหนูก็เห็นความเกิดดับไปเรื่อยๆแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหนูคิดว่าหนูขาดสมาธิเพราะหนูอ่ะเล่นลายแล้วก็มีความฟุ้งซ่านเยอะอ่ะค่ะหนูก็เลยไปทําสมาธิเพิ่มที่หลวงพ่อสอนเพราะว่าเวลาหนูทำรูปแบบหนูรู้สึกหนูมีโทสะ หนูก็เลยลองดูร่างกายหายใจใจเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของกายและใจ<อ>ก็ก็ก็รู้สึกว่ามันมันทำให้สมาธิมันง่ายขึ้น <c oughs> เพราะว่าเวลาดูลมอะไรเงี้ยมันก็มีความสุขมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะไปทำอีกไปมจิตดีขึ้นแล้วรู้สึกไหมจิตมันมีแรงขึ้นออรู้สึกค่ะต้องทำน ะ, ะถ้าไม่ทำมันก็ไม่มีแรงก็เหลวไหลไปเรื่อย หนูขอขอมาหลวงพ่อด้วยนะคะที่หนูแบบหมึ่งขี้เกียจสองเล่นเฟซเล่นไ ล, ลนะะ์อะไรเงี้ยค่ะค่ะทำให้สีนห้าไม่บริสุทธิ์ไอ้ เ, อเจ้าของเฟซเจ้าของไลน์คงไม่ชอบหลวงพ่อเท่าไรหร่ครับเขาอยากได้ลูกค้าเยอะๆอต่อไป <c oughs> ว่าไงด <c oughs> ีฮะ <c oughs> ให้หลวงพ่อแนะนําว่าจะต้องทําอะไรแค่ไม่ขาดหัแน่นมาแต่เช้าแล้วหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรไปเรื่อยๆก็ได้นะ <c oughs> ให้จิตมันมีบ้านอยู่ <c oughs> มันจะได้ไม่ร่อนเร่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นคพอจิตมันมีบ้านอยู่มันจะได้พักไม่มีกําลังขึ้นมาเมื่ <c oughs> มันมีกําลังขึ้นมาแล้วก็สติปัญญามันจะทํางานได้ให้จิตใจป้อแป้อะไรเงี้ยสติปัญญาทํางานไม่ได้นะ อยู่กับเครื่องอยู่ไปจุดอ่อนมากๆของคารวาสนะคือสมาธิไม่พอที่สมาธิไม่พอเพราะทำไม่ต่อเนื่องทำบ้างไม่ทำบ้างหปปรับนิสัยใหม่จะได้ขยันภาวนาจิตใจพัฒนามีเรี่ยวมีแรงขึ้นนะพยายามช่วยตัวเองให้เยอะๆนะช่วยตัวเองหลวงพ่อพยายามสอนหลักของการปฏิบัติให้นะ เราจะได้ช่วยตัวเองได้อย่าเรารู้ว่าถ้าอยากเดินปัญญาแล้วไปเพง่งนิ่งเฉยเฉยอยู่นี่ไม่ได้เนี่ยเราเคยได้ยินได้ฟังหลวงพ่อสอนมาแล้วเราะนั้นเมื่อไหร่จิตไปติดนิ่งติดเฉยก็ต้องรู้นี่เป็นสมถะเมื่อไหร่จะเดินปัญญาก็ต้องแยกรูปแยกนามออกมาก่อนแล้วก็เห็นรูปแต่ละรูปแสดงไตรลักษณ์นามแต่ละนามแสดงไตรลักษณ์นี่นถือจะเป็นวิปัสนา พอรู้หลักแล้วเนี่ยไปสำรวจตัวเองนะเวลาเดินวิปัสสนาเราจะเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ภาวนาแล้วจิตสว่างว่างเลยต้องรู้เราผิดแล้วละ่ะของไม่เที่ยงทำไมเที่ยงของเป็นทุกข์ทำไมเป็นสุขของไม่ใช่เราทำไมบังคับได้เนี่ยสำรวจตัวเองภาวนานะเมื่อไหร่มันผิดหลักที่พระพุทธเจ้าบอกต้องผิดอนะภาวนาผิดแนละ้ว หลวงพ่อเอาตัวรอดมาด้วยวิธีนี้ด้วยการสังเกตเอาการภาวนาแต่ละขั้นแต่ละตอนที่ทํามาสังเกตเอาว่ามันถูกไหมมันตรงกับที่พระพุทธเจ้าบอกไหมตรงกับที่ครูบาอาจารย์สอนไหมค่อยๆสังเกตเอาถ้าหลวงพ่อมีอะไรก็รอไปถามครูบาอาจารย์นะโอ้โหกันนานเราทํางานอยู่กรุงเทพ ลางานก็ไม่ได้มากสงสัยการภาวนาแล้วมันสงสัยอะไรก็มันสงสัยได้ทุกวันนี่ไปถามใครสังเกตเอาโยนิโสมนสิการสาคัญที่สุดนะในการช่วยตัวเองในยุคนี้ถ้าสมัยพุทธกาลก็กัลยาณมิตรมีประโยชน์มากเลยมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรมีพระอราหันต์สาวกเป็นกัลยาณมิตรเยอะแยะ ยุคนี้เราชอบพูดว่าคนนั้นเป็นกระยาณมิตรคนนี้เป็นกระยาณมิตรจริงเปล่าก็ไม่รู้ใครรับรองก็ไม่รู้พูดเราเองมันอาจจะหลอกเราภาวนาผิดก็ได้งั้นเรียนหลักให้แม่นแล้ววัดใจตัวเองไปในการภาวนานถูกหรือมันผิดสังเกตอเอาถ้ามันผิดหลักที่พระพุทธเจ้าบอกผิดแน่นอนอย่างเราภาวนาแล้วเราอยากละถูกเนี่ย ภาวนาด้วยเมื่อไหร่มีจะพ้นทุกข์เมื่อไหร่มีพ้นทุกข์มันผิดแล้วพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์ไม่ใช่ให้ละทุกข์นี่อยากละทุกข์ท่านบอกให้ละความอยากเสียตัวสมุทัยตัวตัณหาให้ละเสียเรากลับมีตัณหาอยากละทุกข์เนี่ยท่านให้รู้ทุกข์ก็ไปจะไปละทุกข์ท่านให้ละความอยากก็จะมีความอยากเนียกลับหัวกลับหางไปหมดเลยนัภาวนาแล้วสํารวจตัวเองดูทําผิดอ่ะ หรือนั่งสมาธิจิตสงบเฉยว่างระหว่างว่าวันหนึ่งจะเกิดมรรคผลไม่เกิดหรอกคนละโรกคนละเรื่องนั่งสมาธิจิตสงบนิ่งนิ่งอยู่ก็ได้ความสุขได้ความสงบได้เรียวได้แรงต้องไปเจริญปัญญาถึงจะได้มรรคได้ผลนะจะสำรวจดูเนีย่ยทำสมาธิดี ด, ดีนะสามเดือนแล้วจิตก็ยังสงบ หลวพ่อก็ทําเป็นวนะ่นะ้เรื่องเหลวไหลนะทํามาเยอะแล้ว ไ, ได้เรื่องแนละ้วคนละเรื่องกันเลยนะเรื่องทําสมาธิให้สงบแล้วจะเกิดมรรคผลนะไม่เกิดหรอกหลวงพ่อทำสมาธิตั้งแต่เด็กตั้งแต่เจ็ดขวบนะจนอายุยี่สิบเก้าทาอยู่ยี่สิบสองปีไม่เห็นจะเกิดมรรคผลเลยอย่ามากก็เกิดนิมิต เกิดรู้โน่นรู้นี่ซึ่งไม่ใช่สาระแก่นสารเพื่อความพ้นทุกข์เลยแม้่เจอหลวงพู ด, ดุลนะท่านสอนวิปัสสนาด้วยการดูจิตให้ก่อนเจอหลวงพู ด, ดุลก็เคยฟังธรรมครูบาอาจารย์อื่นๆนะฟังอ่านหนังสืออะไรพวกนี้ท่านก็ชอบพูดเรื่องพิจารณา ก, กายหลงพาพิจารณากายแป๊บเดียวมันระเบิดไปนะ้วมันไม่ถึงใจดูกายเนี่ยนะรู้สึกตื้นไม่ถึงใจ เจอหลวงปูด่ดูลนนะสอนให้เราดูจิตโอ้โหมันวิจิตพิสดารโลดโผนเหลือเกินจิตเนี่ยยิ่งเรียนนะก็ยิ่งรู้ว่าไม่รู้ยิ่งรู้เยอะขึ้นนะยิ่งรู้ว่าไม่รู้นะไม่ใช่ยิ่งเรียนแล้วยิ่งกูเก่งนะรู้สึกอะไรว่าเราอยู่กับจิตมาตั้งแต่เกิดไม่รู้เรื่องมันเลยทําอะไรต่ออะไรได้พี่ลึกพิลึกเยอะแยะ จิตทำงานได้ทั้งสิบสี่อย่างแต่ละพัฒน์จะทำเยอะแยะเลยค่อยๆเรียนไปโอ้สนุกเรียนจิตใจตนเองของไม่เคยรู้ได้รู้ของไม่เคยเห็นได้เห็นของไม่เคยเข้าใจได้เข้าใจของไม่เคยวางได้วางค่อยๆฝึกไปนี่ตอนนี้ ลักษาสีห้าให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวดูกายมัทำงานดูใจมําทำงานถ้าดูจิตใจได้ดูจิตใจไปดูจิตใจไม่ออกดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้กลับมาอยู่กับเครื่องอยู่ของเราอยู่กับพูดโทลมหายใจแล้วก็ทำไปให้จิตกลับมามีแรงใหม่ที่ภาวนานะจิตเกิดเบือ่ออะไรเงี้ยความเบื่อครอบจิต ทำไงก็ไม่หายไปทำสมถะเลยหลวงพ่อเคยเห็นนยะจิตมันไหวยิบยบอยู่กลางอกเนี่ยทุกข้างนั้นเลยทุกข้างนั้นเลยเห็นอย่างนี้กลางวันก็เห็นกลางคืนก็เห็นนอนอยู่ยังเห็นเลยร่างกายหลับเนะ่ยจิตมันไม่ยอมหลับนะมันค้นคว้าเพียรนายตัวที่หมุนอยู่กลางอกเนี่ยไหวยิบยับยิบยบแล้มันก็ทุกข์ทุกนะ่ะแสนสาหัส ไปถามครูบาอจารย์ทั้งหลวงตา ม, มหาบัวทั้งหลวงพ่อพุธเลยเนะยท่านก็ตอบเหมือนกันว่าการภาวนาพอถึงขั้นละเอียดเหลือแต่ไหวยิบยับแค่นี้แหละเราก็าบอกภาวนานละเอียดแต่มันทุกเหลือเกินเยไม่รู้จะทํำยังไงนะพอไม่รู้จะทําังไงจริงหลวงพ่อกลับมาพุดโธหายใจเข้าพูดธหายใจออกโทเลยฝึกไปแป๊บเดียวนะจิตก็มีสมาธิขึ้นมาพอย้อนไปดูที่ไหวๆ กางอกเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนไอ้ตัวนั้นไหวก็ไหวไปแต่จิตเราเหมือนอยู่ในช่วงลองวิเกเอนนะเย็นชํามีความสุขก็เห็นสภาวะด้วยจิตใจสงบสุขไปนะก็ค่อยผ่านเป็นลําดับลําดับไปงั้นตอนไหนดูจิตได้ดูจิตตอนไหนดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ดไไดทําสมถะไว้ดูกายยากไหม จริงๆกายไม่เคยหายไปไหนเลยตอนนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมใครไม่รู้สึกว่าร่างกายกำลังนั่งเรารู้สึกซิใช้ใจปกติรู้สึกไม่ได้เนอะต้องทำใจคลึมก่อนเหรอเอาละใจกลุ่มๆแนละ้วนี่ยกายนั่งเพียนแล้วใช้ใจปกติไปรู้มันนะจิตมันรลมไปรู้ รู้สึกไหมเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยพอเรามีสมาธินะหลวงาส ก, กิจนิดเดียวจิตมันถลับไปรู้ก็เห็นปั๊บเลยตัวนี้ทันทีที่เราเห็นรู้สึกไหมจิตตัวนี้ยเนี่ยคือจิตผู้รู้แหละทันทีที่รู้ว่าหลงไปนะจิตผู้รู้เกิดเลยเกิดเองเกิดว่าแล้วมันได้สมาธิขึ้นมาจิตมันมีปิติรู้สึกไหมมันอยากร้องไห้แนละ้วรู้สึกไหมเนี่ยจิตมันมีปิติรู้ว่ามีปิติ ดูไปปิติก็ไม่เที่ยงตอนนี้ปิติเริ่มลดลงแล้วรู้สึกไหมแต่ใจแข็งก็ด้างแล้วรู้สึกไหมเนี่ยดูเป็นช็อตชอตชอตไปอย่างนี้นะจิตใจเราเป็นยังไงก็ดูไปอย่างนั้นเป็นช็อตชอตไปเลยฝึกเลืไดยๆเดี๋ยวก็ดีเองแหละเป็นโรคส่นัสหลักเสพยุ่มมากเลยคอคอเย็นๆนะก็ไ อ, อเสียนหายไป ให้มันอุ่นๆ น, น, นะเขาร้อ น, น้อ้าวจิตมันมโมๆครับภาวนาไปนะ <c oughs> ดู <c oughs> อย่าให้ชีวิตศูญเปล่า <c oughs> เวลาเหลือน้อยลงทุกทีทุกทีแล้ว <c oughs> ลูกก็โตแล้วไม่ต้องห่วงเยอะ <c oughs> ให้เมียเขาเลี้ยงไป <c oughs> เราก็ภาวนารีบรีบไปนะครับอย่ารอช้าใครจำเป็นจะส่งกันบ้านว่มามาอยู่ท้ายๆ้ห้องอะ่ะหรือนู่นลูกนี้ออกพรรษาแล้ว ออกภรษาก็ทอดกะติ่แล้วก็จะมีพระส่วนหนึ่งศึกไปบางองก็ย้ายไปวัดอื่นที่เหลือแต่ยังไม่ต้องมาสมัครบวชนะคิวสมัครบวชตอนนี้มีสิบเก้าคนที่รออยู่ที่มีสิบเก้าคนพอเบรกเอาไว้ให้รับไปเรื่อยๆคงเป็นร้อยหลวงพ่อเลือกนะไม่ใช่ทุกคนที่สมัครแล้วหลวงพ่อรับ จริๆแล้วการมาบวชอยู่ในสังคมพระเนีสงเป็นคนเลือกถ้านักสงเห็นว่าไม่เหมาะสมนะสงอง์หนึ่งพระอง์หนึ่งค้านขึ้นมาเนี่ยมารวมหมู่เขาไม่ได้บวดไม่ได้เลยเนี่อย่างพระมาะอยู่ชั่วคราวสงก็ยังไม่รู้จักนิสัยใจคอเขาปล่อยให้บวชไปช่วงหนึ่งให้บวชชั่วคราวดูนิสัยใจคอนะ เข้ากับหมู่คณะได้แล้วอยากจะบวชไม่มีกำหนดอะไรก็ว่ากันใหม่ถ้ายังไม่ได้ใจหรือจะสึกเลยก็ออกไปก็มีที่ว่างให้คนอื่นมีโอกาสมาพิสูจน์ตัวเองบ้างว่าไหวไหมบางคนเข้ามาแล้วเพราะว่าไม่ไหวบวชไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะไม่ใช่บวชกินข้าวบวชนอนเล่นไม่ใช่ เวลาบวชมันเหมือนเวลาเข้าสนามรบยิ่งในพรรษาเนี่ยนะพระเหมือนกำลังทําศึกหนักเลยกับกิเลสตัวเองในพรรษากับนอกพรรษานะกิเลสก็ตัวเดิมแหละแต่ระหว่างพรรษาเนี่ยจิตใจมันบอกว่าเกิดอะไรขึ้นมันหนีไปที่อื่นไม่ได้ะกิเลสเกิดเนี่ยมันต้องปักหลักสู้ลูกเดียวเลยดังนความเข้มแข็งในพรรษากับนอกพรรษาเนี่ยไม่เท่ากันหรอก นอกภรรษาถูกครูบาอาจารย์ดูมันก็หนีไปอยู่วัดอื่นได้ในภรรษาหนีไม่ได้เปเชิญนหน้ามาบวชที่หลวงพ่อไม่ใช่ง่ายนะเหมืะนนพระวันหลวงพ่อในะคุณภาพดีนะส่งไปสอบเนี่ยส่งมาตั้งกี่ปีแล้วก็ไม่รู้นานแล้วจนป่านนี้ยังไม่เคยมีใครตกเลยไม่มีใครสอบตก มีแต่บน่นให้เวลาทั้งสามชั่วโมงสี่สิบนาทีก็เสร็จแล้วง่ายอย่างเงี้ยถ้าเขาได้ยินนะปีหน้ายากเลย <c oughs> ทำไมง่ายเพราะเราเรียนเราพ่อให้เรียนนะไม่ใช่ภาวนาลูกเดียวปริยัติว่าจาเป็นปริยัติเนี่ยจะเป็นตัวตรวจสอบว่าการปฏิบัติของเรานะถูกต้องหรือเปล่า แล้วการปฏิบัติเนี่ยก็เป็นการตรวจสอบปริยัติเหมือนกันว่าการตีความปริยัตินี่ยนะถูกต้องกับความเป็นจริงหรือเปล่าการปฏิบัติเนี่ยทําให้เราเห็นความเป็นจริงงนันทางปริยัตปฏิบัติเนี่ยเกื้อกูลกันว่าไปกราบนมัสการหลวงพ่ออยู่ไหนะะอ่ะอยู่ที่ไหนะะอ้าว่ามาลูกดู youtube ที่หลวงพ่อ เทศนาธรรมมาประมาณจะห้าปีแล้วเจ้าค่ะแล้วก็ปฏิบัติในชีวิตประจําวันเออเห็นควาเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเห็นเจ้าค่ะนั่นแหละดีแล้วก็ปฏิบัติในรูปแบบคือสวดมนต์แล้วก็จะนั่งสมาธิจ้าค่ะใจลอยแล้วรู้เปล่ารู้เจ้าค่ะใช่ลวงพี่คิดเจ้าค่ะเภาพไปคือเมื่อปีที่แล้วอยากจะทำหลวงพ่อว่าสิ่งที่ลูกเห็นสิ่งที่จิตเขาเห็นนะเจ้าค่ะ ใช่อไม่ใช่มาาไม่ใช่อริยมรรคนะไม่ใช่จ้าค่ะแต่เห็นได้เห็นแล้วล่ะแต่มันยังไม่ใช่อริยมรรคเจ้าค่ะคอยรู้คอยดูไปใส่เกต น, นะถ้าเราได้อริยมรรคจริงๆเนะี่ยแม้จะเผลออยู่จิตใจก็มไม่มีการแสดงว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานะในตอนเนี้ยจิตใจมีตัวตนอยู่รู้สึกไหม กิดขาจิตค่ะจิตมีตัวตนอยู่นั่นแหละถ้าใจที่จิตยังเป็นตัวเป็นตนยังไม่ใช่โสดานะเจ้าค่ะอไปดูตัวนี้แต่ตัวตนที่จิตเนี่ยไม่ได้เกิดตลอดเวลาต้องระวังตัวนี้นะเมื่อคนได้ทําสมาธิเนี่ยแล้วไปดูที่จิตมันจะไม่มีตัวตนงั้ความเป็นตัวตนหรือสักกายทิฏฐิอะไรในความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนไม่ได้เกิดตลอดเวลามัเกิดเป็นคราวๆเช่นเดียวกับกิเลสตัวอื่นนั่นแหละ ง่ายเวลาเราจะวัดใจว่ามีตัวตนหรือเปล่าให้วัดใจในขณะที่จิตใจอยู่ในโลกธรรมดานี้เจ้าค่ะแล้วถึงจะเห็นจิตใจไปทรงฌานอยู่ดูไปไม่เห็นนะเจ้าค่ะบางคนนะจิตทรงฌานอยู่มันไม่มีราคาไม่มีโทสะนะได้อนาคาแนละ้วเราตบหน้าสักฉาหนึ่งมันได้อนาคาตบโพ้นะจิตหลุดออกจากฌาน เานี้ทั้งมือทั้งเท้าลอยมาสาธุเจ้าค่ะไปทํานะดภาวนาได้ดีนะอยู่ที่ไหนเอากราบนมัสการหลวงพ่อครับเอออ่าวันนี้ผมกับแฟนพากันมาส่งกันบ้านในอ่ารอบสิบเดือนครับหลวงพ่อครั้งที่แล้วรายงานหลวงพ่อว่ามันเห็นจิตถูกขังอยู่หลวงพ่อบอกให้ไปทําให้มันแตกครับลูกก็ทําเต็มที่ครับคือมีสติแล้วก็ สมรฐานโบสดช่วยนะครับหลวงพอ่อแล้วหลังจากนั้นก็คือเห็นสภาวะหลายอย่างครับหลวงพอ่อเราจิตมันละเอียดขึ้นไปแล้วก็ครั้งมันไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้มีแบบว่าอายรากเกิดับทางตางไจมูกลิ้นกายใจที่หลวงพอ่ อ, อครับมันเกิดดับก็ดูไปเรื่อยแต่มันก็ยังไม่สำเร็จแต่เขาหลวงพอ่อขอหลวงพอ่อเมตตาครับดูอีกจนกระทั่งพลังมันเต็มนะครับพละหศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันเต็ม เนี๋ย เ, เกิดมรรคผลขึ้นมาครับมันแตกครั้งแรกตอนเป็นพระโสดาบันครับตอนที่แตกนะตัวโสดาปฏิมรักทําลายเปลือกที่หุ้มจิตอยู่นี้แตกแต่มันแตกแป๊บเดียวมันก็กลับมาปิดอีกครับผมครั้งที่สองครั้งที่สามก็แตกแป๊บเดียวก็มาปิดนะต้องแตกสี่รอบครับแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกได้คือว่าทุกข์มันหายลงไปเยอะเลยครับเออทุกข์มันน้อยลงไปคือว่า ปล่อยจิตธรรมดานี่ยก็ฝึกความทุกข์มันน้อยลงเออถ้าฝึกไปแล้วจะไปเรื่ยวางทุกข์หยาบๆไปเรื่อยๆเข้ามาสู่ทุกข์ละเอียดครับทุกข์ละเอียดที่สุดก็คือตัวจิตผู้รู้นะเป็นตัวทุกข์ละเอียดที่สุดครับดีถ้าออกตั้งใจภาวนาไปครับสิ่งที่ชุดออนครับจุดอนคืออย่างโลภอยากได้ผลอยู่ครับดูออกปครับ เออไปรู้ทันแลจุดอนอนล้ครับไม่ได้ทําเพราะว่าอยากได้จะทำเพราะว่าต้องการรู้ความจริงครับผมพอเห็นความจริงและวจิตเปนบางของมันเองครับที่ลูกปฏิบัติมาลูกขอถวายธรรปฏิบัติข้าหลวงพอ่อเออโมทนานะสาธุกล่าบรรณา ก, การข้าหลวงพอ่อจากการที่ลูกส่งครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้ลูกไปดูเรื่องอสภาวะธรรมที่ เกิดขึ้นทางตาทางหูจมูกที่ว่ากระทบแล้วจิตมันเปลี่ยนนะคะหลวงพ่อเห็นไหมเปลี่ยนมากค่ะอแล้วมีอยู่วันนึงลูกนอนลูกจะตื่นลูกเหมือนเห็นกายของลูกนะคะหลวงพ่อมันหายใจเข้าหายใจออกแล้วเหมือนเห็นลิ้นมันจุกปากอยคะหลวงพ่อเหมือนเหมือนตัวเราตายเรามีจิตดวงหนึ่งมันมันดูร่างกายที่กําลังหายใจอยู่ร่างกายที่กําลังลิ้นจุกปากอยู่แล้วลูกก็เหมือนสะดุ้งตื่นขึ้นนะคะหลวงพ่อลูกก็เลยไม่แน่ใจว่า มันเกิดอะไรขึ้นค่ะหลวงพ่อก็เกิดลิจุกปากสิเกิดอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะเกิดอะไรก็แค่รู้แค่เห็นไปดีนะที่ฝึกอะฝึกไปเรื่อยๆเห็นไหมจิตเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจค่ะจิตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตนี่ไม่เที่ยงจิตนี้บังคับไม่ได้ดูเอายัง ดูออกแล้วค่ะหลวงพอ่อและไปดูมากๆดูจนมันพอภาวนาใช้ได้ไปทำอีกถือนนวยังเพ่งอยู่นะยังบังคับจิตอยู่ปล่อยให้มันทำงานเป็นธรรมชาติอย่าไปบังคับมันยังบังคับไวนะ้เงี้ย ใจมันจะทื่อๆนะใจมันจะทือ่อหนักๆไม่เป็นธรรมชาติปล่อยมันแล้วรู้ด้วยจิตใจที่ธรรมดาธรรมดาไปอย่าตอนนี้จิ ต, ลลจตลนะหต ล, งตงตนนลงไปคิดแล้วรู้ว่าจิตหลงไปคิดไม่ห้ามแต่อย่าหลงไปคิดยาวๆคิดตั้งแต่เช้ายันเย็นอย่าไม่รู้ใช้ไม่ได้หลงไปคิดเรารู้หลงไปคิดเรารู้ดีที่สุดเลยดีกว่าไม่หลงเลย ไม่หลงเลยก็คือเพ่งเอาไว้งันะจิตที่เพ่งนะเป็นจิตที่เป็นกุศลนะแต่เป็นกุศลแบบสมถะจิตที่หลงเป็นจิตอกุศลสองตัวนี้มีข้อดีข้อเสียจิตหลงเนี่ยทันทีที่เรารู้ว่าจิตหลงจิตรู้ก็จะเกิดเราจะเดินวิปัสสนาง่ายเราจะเห็นหจิตเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้ ยิ่งพวกที่จิตหลงเนี่ยยังเดินวิปัสสนาง่ายแต่พราะที่ติดเพ่งนี่ยมันรู้ว่าเพ่งก็ไม่หายทําไมไม่หายเพราะการเพ่งไม่ใช่การทําบาปอะไรเป็นกุศลแต่เป็กุศลชนิดที่ซื่อบื้ไม่ฉลาดยิ่งระหว่างคนที่ไม่เคยปฏิบัติเลยจิตเป็นธรรมชาติกระชอกไปกระชอกมาพวกนี้ปฏิบัติง่ายพวกที่เคยปฏิบัติส่วนใหญ่เป็น พวกติดเพง่งกว่าจะแงะออกมาให้พ้นจากที่เพ่งอยูนะ่ก็ใช้เวลาเหมือนกันแต่พอผ่านช่วงนี้สมมติว่าเคยติดเพ่งแล้วก็หลุดออกมาได้นะเจริญปัญญาได้เนะี่ยกำลังที่ใช้เจริญปัญญาจะมากกว่าพวกที่ไม่เคยฝึกมามันจะมีข้อดีข้อเสียมีลีลาที่แตกต่างกันส่วนคนจีนคนเนี้ยนะยังติดเพงอยู่นะ ขณะนี้กาลังเพ่งจิตอยู่เพง่งนิ่งๆอยู่อย่าไปบังคับมันนะร้องเพลงเป็นไหมร้องให้ฟังสักเพลงได้ไหม <c oughs> เห็นไหมขณะที่เราหัวราะเนี่ยตัวแน่นๆนี้ก็ยังอยู่งั้นเราติดนะเราติดสมาธิชนี้ที่เพ่งจิตให้นิ่งๆอยู่ ตอนนี้ให้รู้ทันว่าติดก่อนนะแล้วต่อไปก็ดูทำไมต้องไปเพ่งที่เพ่งเพราะอยากอยากอะไรอยากปฏิบัติอยากดีอยากได้ผลอยากพ้นทุกข์อยากโน่อนอยากนี่ก็เลยเกิดการเพ่งขึ้นนะถ้าเรารู้ทันว่าโอ้นเพ่งเพราะอยากเนี่ยเห็นความอยากความอยากจะดับไปการเพ่งมันก็เลิกไปเพราะไม่มีต้นต่อ ไม่มีต้นเหตุของการเพ่งคือตัวตันหางั้นเรารู้ทันใจเราใจเราอยากอยากดีอยากปฏิบัติรั่วอยากเข้าไปเลยความอยากดับคราวนี้ยเราก็จะดูกายอย่าที่กายเป็นดูใจอย่าที่ใจเป็นใจก็จะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็ น, ป น, ป น, ป น, ปนธรรมชาติธรรมดาไปฝึกเอานะไปหลวงพ่อลืมไปเขายังไม่ได้ถามแต่ ไปกันบ้านเสร็จแล้หลวงพ่านะีช่วงนี้มีแต่รายการหาหมอไปโรงพยาบาลวันพฤหัสหน้าส7บเจ็ดใช่ไหมมียีิบสามต้องไปแอดมิทศรีลาดคืนหนึ่งย4ิบสี่ไม่รู้จะเสร็จทันเปล่าจะได้กลับไหม กิจกรรมเยอะนะบันบันว่ามาอยู่ไหนแล้วนอนอยู่ทางโ น, น้นหลวงพ่อคะถ้าจิตมันไม่ใช่ของหนูคือหนูก็บังคับมันไม่ได้คอนโทรมันไม่ได้มันอยากจะเป็นอะไรก็เป็นของมันใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่มันอยากเป็นอะไรก็ตามใจมันนะ มันจะเป็นยังไงก็รู้อย่างที่มันเป็นไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ปล่อยตามใจชอบนะมีสติกํากับรู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่จิตไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะฉะอะไรก็ได้นะต่อไปเวลามันไปนตนกนรกมันก็ไม่ใช่ตัวเราของเราอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้นะดังนั้นจิตไม่ใช่ตัวเราของเรานะใช่แต่ตัวเนี้เป็นความคิดที่ล้ําหน้าไปขนาเนี้ยังเป็นตัวเราของเราอยู่นะั่นเราจเจริญสติ ตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของมันไปไม่ใช่มันเป็นอะไรก็ได้นะไม่ใช่มันเป็นอะไรก็ช่างแต่มันเป็นเน่ยอะไรไม่ว่ามันเป็นอะไรแล้วเรามีสติตามรู้ไปเรื่อยๆมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันดีมันชั่วก็รู้อย่างนี้ถึงจะใช้ได้นะไม่ใช่ปล่อยวางมันไม่ใช่เรามันจะชั่วไงก็เรื่องของมันอย่าง้นไม่ได้นะภาวนาอย่าเอาความคิดไปนําหน้ามันนะ ดูจากความเป็นจริงดูเห็นไหมจิตเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยเห็นแลใช่ไหมมันเปลี่ยนแปลงตลอดเปลี่ยนตลอดค่ะนั่นแหละอย่างนั้นอ่ะดีดูฟ้ารู้ความเปลี่ยนแปลงของมันไปมัเปลี่ยนตลอดแหละแต่พอมันเปลี่ยนไปช่วงหนึ่งตามรู้ตามดูไปช่วงหนึ่งเราจะเหนื่อยตรงที่เราเหนื่อยเราก็กลับมาอยู่กับเครื่องอยู่มาอยู่กับพุโทโธลมหายใจให้มาสวดหมดอะไรเงี้ยให้จิตได้พักผ่อนอยู่กับเครื่องอยู่ของเรา จิตมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ปล่อยให้มันทํางานตามดูความเปลี่ยนแปลงของมันต่อไปนะสลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆจิตก้พัฒนาไปศีล ส, สมาธิปัญญาจะดีขึ้นรู้สึกไหมว่าศีลดีขึ้นรู้สึกค่ะแม้มันเป็นอัตโนมัตินะนี่บางคนสอนกันว่าต้องถือศีนอย่างเงี้ย่งเง้ยหลวงพ่อไม่เป็นนั่งสอนศีนทีละข้อเสียเวลามีสติรักษาจิตที่เดียวถ้าได้ศีนมันมาเองแหลยจิตมันไม่ชั่วสัอย่างไม่ผิดศีลหรอก แลื่จิตมันไม่ฟุ้งซ่านสัอย่างสมาธิมันก็มีแล้วงั้นดูที่จิตอันเดียวเนี่ยนะศีลก็จะเกิดสมาธิก็จะเกิดแล้วปัญญาก็จะเกิดมันเห็นเลยจิตนี้เกิดดับเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสั่งมันไม่ได้เนี่ยดูซ<ด>้ำไปไงี้นะแล้วพอใจฟุ้งซ่านกลับมาทำความสงบใหม่มาอยู่กับเครื่องอยู่มีแรแล้วกลับไปดูอีกเจริญปัญญา จิตเราก็จะพัฒนาศีลสมาธิปัญญามากขึ้นมากขึ้นเมื่อศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ในแต่ละขั้นนะอย่างในขั้นโสดานะจะขึ้นโสดาศีล ส, สมาธิปัญญาขึ้นระดับหนึ่งมันเต็มระดับนี้นะั้นก็ก้าวกระโดดขึ้นไปอีกนะแล้วก็สะสมเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปนะจนเต็มอีกระดับนี่ก็ข้ามไปอีกระดับคนะืก อ, อย่างนี้แหละสมถะวิปัสสนานี่แหละทําไปเรื่อยๆ อันเดียวไม่ได้นะขอบคุณนะคะหมดแล้วที่เรียกเอาไว้เิยกลับบ้านต้นเดือนวันเสาร์ต้นเดือนหน้าเราจะเปิดรับสมัครอยู่วัดนะก็ครึ่งหนึ่งคนซึ่งเคยอยู่แล้ว ไม่ต้องมาสมัครให้คนใหม่ๆ